เทศอบรมพระวันที่30มกราคมสองพันร้อยยี่สิบสองเทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เทศถึงที่สุดครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าและสาวกประกาศพระศาสนาท่านแบกรมไปประกาศ ส่วนสมัยพวกเราแบกกิเลสเที่ยวประกาศศาสนาเพราะไม่มีธรรมจะแบกเหมือนท่านเดินจงกรมยกยกๆ์จาชะแงมองแต่หมอนมันก็เห็นแต่หมอนไม่เห็นธรรมเทศกันนี้อัดให้ใครฟังก็ได้ไม่เข้มข้นนักล้ำขาดทุนไปเรื่อย หรือว่าไม่มีทุนจะให้ขาดก็ไม่สัตมันเป็นไปได้ทั้งขนาดนั้นเนาะถ้ามันมีต้นตหนักเล็กน้อยก็ขาดทไปอาการปัจจัยความไม่ตลาดในการปฏิบัติตัวถ้ามันไม่มีเลยมันก็ยิ่งจงในการพุทธการพระพุทธเจ้าและสาวกประกาศศาสนา มันบแบบที่เหลือโกาสศาสนาเหมือพวกเรามันแบบทำไปอติมหัวใจกันไปมองแบบของมันแบบที่เหลือก็ต้องว่าแบบทำมันเป็นคู่กันอ่าที่เป็นของต่ำทำเป็นของสูงสที่เหลืเป็นของขั้วทำเป็นของดีให้เป็นคู่กันทั้งหมดเมื่อเดี่ประธ า, า, า, านพระว่า ใช่สง์ในเป็นที่เข้าใจจนถึงมีความหนักแน่นภายในจิตแน่ใจแล้วก็ท่งประกาศศาสนาในขั้นเริ่มแรกก็มายไปซ้ำรอยกันแต่้วยแล้วแต่เป็นอญญายะบุคคลแล้วถึงได้ส่งปประกาศศาสนาอญญายะบุคคลขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งถึงเสีขาบุคคล ทู้สิ้นสงสัยไม่กล้องศึกษาเพื่อถอด้อนที่เหลืดเพื่อบงเพ็นมีปัญญาให้แก่้าึ้นไปนี่ทางดำเนินของพระพุทธเจ้าของพราสาวกทรขึ้นดำเนินของท่านถอดออกไปจากจิตใจทาไมจะไปคว้าตามคำพีบรานแต่ก่อนไม่มีคำพีบราน สอนลงที่ใจให้รู้ที่ใจปฏิบัติที่ตัวเองให้เข้าใจทมซึ่งมีอยู่กับตัวเองทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วทันเรียกว่าอาริยสัจรวมความนองแลีว้วรู้สติปันสีเราพึงคำหนึ่งมีเพื่อนฟงจะไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้วนมาไม่กี่พรนษาออกไปแล้วเป็นคณาจารย์สอนประชาชน เลยลืมสอนตัวเองที่นี่จิตใจเ ม, มื่อส่งออกนอกแล้วตามนิสัยของจิตซึ่งชอบส่งออกนอกอยู่ตลอดเวลาก็ยิ่งเป็นการเพิ่มพูนเรื่องกิเลสให้หนาแน่นขึ้นแม้จะเป็นการสอนประชาชนมันก็เป็นโลกไปได้เพราะจิตใจเป็นโลกอยู่แล้วมันผลแปรไปได้ไ ง, ไง่งายการดู ก, กับครูกับอาจารย์ให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ทางด้านจิตใจ รับเนียศึกษาทั้งตาทั้งหูทั้ง จ, จิตใจคิดอ่านแก่จองตามจนกระทั่งมีหลักใจด้วยความภาคเพียรที่ได้รับโอวาจากท่านแล้วอย่างไรไปวิปปติบัติเป็นผลขึ้นมาเป็นความแน่ใจแล้วจะสั่งสอนผู้ใดก็ได้ตามกำลังของตนอากยังไม่ได้ละแอเลยไปอยู่เป็นเอกเทศ สอนตนก็ไม่ได้ทีนี้คนก็ต้องมาเกี่ยวข้องก็ต้องสอนประชาชนนีสอนประชาชนก็ไม่สราบว่าเอาอะไรไปสอนซูม 4, สี่ซูมห้าผลก็เลยไม่ได้ไประโยชน์ทั้งสองอย่างการสอนตนเป็นสิ่งสําคัญมากเป็นอันดับแรกหรือนัมเบอร์วันสอนตนได้แล้วค่อยสอนคนอื่น นี่เป็นของสําคัญอยู่มากทีเดียวที่เราจะต้องสนใจสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อไม่ให้เสื่อมทางหน้าจิตใจหากว่าทํามีอยู่บ้างมันมีก็พยายามดําเนินตามหลักที่อธิบายให้ฟังนี้ไปที่ไหนจะไปอยู่ที่ไหนแต่พักที่ใดต้องคํานึงถึงจิตจเสมอไว้ดูจิตจเสมออยาสับแต่ว่าไปสับแต่ว่าอยู่สับแต่ว่าประกอบความภักเพียนอันนั้นไร้ผล ไม่ใช่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนเพื่อการเพื่อการบำเพ็นจิตให้เจริญนู่ต้องดูจิตทังตัวเสมอเป็นของท้องขันหิ่งหลักใจยังไม่มีแล้วด้วยแล้วมันยิ่งเสื่อมอย่างง่ายง่ายเวลามันเป็นไปในทางต่ำแล้วมันฉุดไปอยู่รากไม่อยู่นะไม่ว่าใครจะไปฉุดไปรากมันไม่ยอมอยู่ฉะนั้นแหละอำนาจของที่เหล มันหนักมากทีเดียวมันแรงมากสามารถฉุดไปได้อย่างสะดวกสบายข้างพุทธการท่านอบรมพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกเป็นประธานในการอบรมพระสงฆ์ที่ไปศึกษากับท่าน อป็นเด็สำเร็จโสดาเศรษทาอาณาคารหาหัตตะผลขึ้นมา ถ, าถึงขั้นเมื่อถึงขั้นนั้นแหละพรั อ, องค์ก็ทรงตร่อยภาระให้ท่านไปอยู่ทางเพีาสายทัง้งๆัง้งแล้วแตกแขนงออกไปบรรดาลูกศิษย์ูกหาก็เข้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์องเหล่านั้นแหละองสาวกอราหาันเหล่านั้น นี่หลักเกณฑ์มันก็มีไปเรื่อยๆแต่กระจายไปตรงไหนมีแต่หลักแต่เกณฑ์มีแต่อาจจะทําอยู่กับครูบาอาจารย์ตรงนั้นๆความเสื่อมจึงมีน้อยหลักเกณฑ์ จ, จึงตั้งได้อย่างสะดวกสบายเลยเหมือนตอนนี้ปัจจุบันนี้จะหาพระอย่างนั้นก็หาไม่ได้มันมีแต่เรื่องโลกหุ้นไปหมดศาสนาจะอยู่ที่ตรงไหน มีแต่เรื่องโลคเรื่องขนบทรรมเนียมประเพณีอยาบย่ำทำลายศาสนาจนมองหาศาสนาไม่เจอแล้วเวลานี้ทำไมมองิงจริงไม่เจอในภาพนิทรรศประสงส์าโลกที่ท่านเป็นครูบปนกาจารย์บรรดาสารสิทธิท่านก็ต้องัง้งหน้าตั้งตาอบรมเรื่องโลกท่านไม่เกี่ยวข้อง มากมายยิ่งกว่าความเพ้นใจในการสั่งสอนอบรมซึ่งกันแกันและผู้สดับตับฟังทำนั้นก็ไม่สนใจกับโลกกับสงสารอะไรนอกจากมุ่งต่อต่อทำด้วยความเต็มบุญใจและประพฤติปฏิบัติตนอย่างเต็มกําลังความสามารถอย่างไม่เป็นอย่างอื่นบรราสาโวกที่ออกมาจากจากสกุลต่างๆสกุลพายามหาปัสสัสเศรษฐิคุลูปีพ่อขาประชาชนถึงชาวไร่ชาวนาธรรมดา เมื่อเข้าไปบวชแล้วการประพฤติปฏิบัติเอาหลักทำหลักยิ่งในเป็นกดเป็นเกณฑ์เป็นแบบเป็นแบบบับเพื่อกา ร, รกปฏิบั ต, ติโดยไม่คํำนึงถึงชาท่า น, นนะรบรน่ะสกุลยดถักยศวินคานบริวารอันใดทั้งสิน้นนั่นคือผู้สลักโลกเพื่อทำแท้แท้ท่านปฏิบัติอย่างนั้นน่ะประเพณีดั่งเดินเป็นมาอย่างนั้นเราพึงคํานึงเสมอผู้ปฏิบัติเพื่อทํามันยอดเยี่ยม จึงต้องคำนึงทุงสิ่งอย่างนี้ที่จะมาเป็นค่าสิทเกาะควรตัวเองจะเห็นแนก่ความลำบากความลำเห็นแก่ความลำบากก็คือเรื่องเห็นแกกิเลสตนเองไม่ได้เห็นแก่ธรรมตั้งใจประพฤชปฏิบัติการได้รับการอบรมศึกษาอยู่เสมอนี่เป็นหลักใหญ่และการและประพฤติปฏิบัติตนอยู่โดยสม่ำเสมอ ไม่มีเรื่องราวมายุ่งกวนหน้าที่การงานลูกประชาชนก็ามาเกี่ยวข้องวุ่นวายอันจะเป็นทางให้เสื่อมเสียลงไปไ ง, ไง่ายเมื่อมันมีสิทธิหนี้การคุณปฏิบัติก็สะดวกมีครูมีอาจารย์เป็นแม่เลยเป็นเครื่องมือดูดจิตใจไว้จิตใจก็มีความชุ่มเย็นแม่ตนยังไม่ได้ความชุ่มเย็นความมุ่งมั่นนั้นก็มีเพราะมีครูมนการย์คอยชี้แจงสุ่ผลนั่นเสมอโดยถือครูบาอาจารย์องค์นั้นนั่ที่ขนมีหลักมีเกณฑ์เลย สมบูรแล้วเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจการปฏิบัติถ้ามันมีเครื่องดึงดูดมันก็เสียไปได้ไง่ายๆการผู้ปฏิบัติพึงคํานึงถึงสถานที่อยู่ถึงครูบาอาจารย์ผู้ถูกคอยให้อว่าสั่งสอนอย่าไปอยู่อยู่ซุมสี่ซุมห้าตามใจชอบตามอัตยาศัยของเราอัตยาศัยของเรามันเป็นเรื่องของพิเรลดุลล์ลนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมถ้าธรรมมีอยู่ใน เขาไปแทะเขาถึงใจหรือทำอํำมีในใจมากน้อยนัน่นแหละคติอาศัยจะพึ่มเป็นจะพึ่มเป็นธรรมไปด้วยถ้าไม่ไม่มีธําเลยมันก็เป็นเรื่องของพิเดศล้วนจะควรเชื่อได้อย่างไร mm. ต้องปฏิบัติบังคับจิตใจตนเรื่องความยากมันอยากด้วยกันทั้งนั้นแนะ่ะนี่เคยเป็นมาแล้วอ่พ mm. ิเดศมันบังคับมันชายอยู่กับครูบาอาจารย์นี่มันเหมือนกับมันติดคุกติดตลาบมันมีนะเ mm. ออะดูนี่บางครั้ง แต่รู้คนบุบายขห้มันไม่ยอมต่อยไม้ติดคุกติดเรือนอยู่ท่านเพระกลัวท่านดุด่าน ด, าด่าอไม่ได้อยู่ตามสบายคําว่าตามสบายก็คือเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมอยู่ด้วยความน้ำมัดระวังท่านเป็นเรื่องของธรรมเพราะสะติท่านดูด่าว่ากล่าเสมอปฏิบัตาคือท่านไม่เคยสั่งผู้ใดให้ไปอยู่ในถานที่ใดเลยเราก็ ไปรู้ไปเห็นกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแน่นั่นะเราชอบใจแล้วเกิดใครๆมาขอพระไปอยู่ที่นั่นขอพระไปอยู่ที่นี่ท่านก็พูดไปอย่างนั้นแหละเพราะงัน้นกัดกัดใจเขาถามดสูสักพูดถามดูท่านสักก่อนวางนั่นไปหรือไม่ไปกถามดูท่านสกก่อนยกตัวอย่างที่เราเป็นต้น ลาบอยู่กับท่านตอนหน้าแรกออกมาพูดปฏิบัติตามสานที่ต่างๆแถวบริเวณใกล้เคียงนั่นแหละสามถึงกิโลสิกิโลเราไปอยู่นเวลาขับกลับเข้ามานี่เขาก็ตามมานิมนต์เขาอยากได้ปต่จะบรรชายกมาเป็นทั้งบ้าน น, นั่นะไม่ใชน้อยๆนะเป็นร้อ ย, อยวันนี้เ้ามาเดี๋ยวสองสาวันมาอีกบ้านเก่านั่นแหละ มาละข้างหลนท่านก็คงรำคาญผมพูดนะทางไงสรรมนี่เขาอยากเขาว่านี่บนธรรมหาไปอยู่กับมันเช้าเขาธหามะนี่ว่าไงอยู่ที่งานคดีนะสงังกัดดีถึงหาบายพูดถขนาะนั้นเนะี่ยเราพอตอบเลยเราเพราะท่านรู้นิสัยเราได้ดีเราก็สนิทท่านรักท่านเขาลบท่านคําพูดของเราที่แสดงออกท่านจึงไม่ศีสาอะไรเราก็มีอะไรสะดุดใจว่าเป็นความประมาทผูบายการ นี่ก็ผมไม่ได้มาเพื่อญาติเพื่อโยมนี่นะผมมาเพื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนเดียวเท่านั้นแม่ครูบาอาจารย์ที่ไหนเราผมจะอยู่ที่ไห น, นวางใคร ม, มคาด้วยเงินเท่าไหร่ผมไม่สนใจท่านก็ะดิง่งเนี่ยตั้งแต่นั้นมาเขามาอีกเฮ้ยท่านไม่ไปละโยมเลยว่าเนี่ยระวังถ้าท่านบอกที่เพีงหรือท่านสั่งให้ไปโ น, น, น้นไปนี่ผมยังไม่เคยเห็น นือหาครูอาจารย์ตรงไหนจะเหมือนท่านอาารมั่นเรื่องความฉลดาดทัดพระรรณใหสั่งไปทําไมครับเพราะท่านแบบนี้เป็นผู้มุ่งมาเพื่อเพื่อทำต่อท่านหมดแล้วจะไล่ท่านทำาล่าสายส่งท่านไปไหนเพื่อเพื่อประชาชนความเพื่อท่านก็หมดไปหมดไ ป, มด ไ, ปไม่เกิดตืะนนี่เราเห็นด้วยดีประจับในจิตเลยประทับใจด้วย เ, เวลาไม่รานถึงข่าวของเราที่ ผู้ช่วได้เกิสารเป็นครูเป็นอาจารย์เราจึงทําไม่ลงในสิ่งที่ไม่บังคับเราบังคับไม่ได้เพราะถือทําเป็นเกิดในสิ่งที่ไม่ควรดูดไม่ได้สิ่งควรดูลองไม่ได้เพราะเรื่องเป็นเรื่องธรรมทั้งนั้นควรไม่ควรอะไรเป็นเรื่องของธรรมปให้ดูการอบรมสั่งสอนคนอื่น่ะมันสั่งสอนได้ง่ายๆแต่เขาจะปฏิบัติตามแค่ไหนนั่นเรื่องของเขา การอบรมสั่งสอนตนเองนี่ที่เป็นเรื่องสําคัญมากแล้วสอนยากด้วยนะสอนเราใครจะว่าไม่ยาก่ะออืการสอนตัวเองเนี่ยมันยากที่สุดพระพธธุทธเจ้าอะลงสลบสามหนบังพี่ยากไหมนั่นะยากหรือไม่ยากขนาดนั้นตั้งสาวกที่เป็นคิดปริญญานี้ก็ร้อยในหนึ่งก็ไม่ได้หนึ่งในร้อยก็ยังไม่ได้ก็ตทํายากลาบากเหมือนกันกับพวกเราเนี่ยออื ในสมายนั้นทำเป็นผลไามา้ก็เป็นผลไม้ชุดหัวปีต้นพุทธการสักขีพยานที่เป็นเครื่องดื่มจิตใจอย่างเซิ่งก็คือพระพุทธเจ้าทรงสรสรแสดงธรรมเองจากความรู้ความเห็นของโภมอย่างแท้จริงสอนอะไรไม่ผิดไม่คลาดก็คือพระพุทธเจ้าสอนไปที่แน่นอนร้อยทั้งร้อยไม่มีผิดมีคลาดเป็นเรียกสวรรค์ธรรม เมื่อเป็นเช่นนั้นทําจะไม่เขซึ้งเขาเขาซึ้งถึงใจคนได้ต้องซึ้งเพราะพอดีผู้ราบก็รออยู่แล้วนี่ว่าถ้าผลไม้ก็ว่าเป็นชุดหม้อปลีหัวปีชุดกลาง ช, ชุดท้ายลงมาแมืวแต่หลังว่ า, าเสียไปเรื่อยเมอ้อหม้อปีเปนที่สาคัญเพราะนั่นก็รออยู่แล้วถึงเดี๋ยวกุคติตันยูผูู้ได้เร็วที่ประจิตันยูก็รอมันลงมา แตนั่นก็นเนยยะพวกเรานี้มันจะเล้าไปถึงขั้นประทับประราะมากกว่าที่จะเป็นเลยยะเพราะนั้นจริงต้องได้บังคับขับใส่กันออย่างเต็มที่ในการประกอบความเพียรแล้าทราบเหมือนอย่างเราทำนาทำสวนสวนของเรานาของเรามันทายากทาห้าขนาดไหนไเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำประทํานาคนอื่นไม่ได้ ถ้าทำสวนก็ดื่มไม่ได้งานทั้งเรองานมันยากก็เราก็ต้องทำเพราะเป็นงานของเราไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใดการแกะถอดถอนกิเลสด้วยความภาคเคสเพราะจะว่าเป็นงานของเราแต่ละลายละลายไปหนักเบาเราจะไปชิดอย่าไปทำหนึ่งให้เสียเวลาให้กิเลสหัวเราย่อกหนักขนาดไหนฟากมนลงไปเรียกว่านักปฏิบัติเรียกว่านักต่อสู้เรียกว่านักกรบ ไม่แค่นักหลบเดินอยู่กลมจับจับจับจับจับเนี้เช่นนี้มองดูดังหวังผมนักหลบกเคยคุณได้ฟังแล้วเรื่องปฏิปทาเวลาที่เหลียมมันยังมันดื้อด้านมันโหดร้ายทารี่เราก็ต้องใช้มัจจิมาอย่างถึงเหตุถึงผลก่อนไม่งั้นไม่ได้ พัฒนาก็ต้องให้หนักมือให้ถึงกันเกลี่เลยกว่านั้นไม่งั้นมันกิเลสไม่เหมาะมันยากก็บังคับอะการสั่งสอนตนนี้เป็นของที่ยากมากสั่งสอนคือมันสั่งสอนง่ายแต่เขาที่จะปฏิบัติตามเราเขาก็ยากเหมือนกันการสั่งสอนเรานี่ีสาคัญมากเป็นหลักใหญ่มี่ต้อปฏิบัติ ต, ตัวให้รู้ให้เห็น ธรรมของพระริจ้าประกาศท้าทายในดวงใจนั่นนะ่ะในตัวรู้นั่นนะ่ะไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่กับทิศกับการเวลาสถานที่นั่นที่นี่แม่ผู้บําเพ็ญไปหาที่นั้นที่นี่นั่นก็เพื่อไปหาธรรมเล่หที่เหมาะแต่การประกอบความาพักเพียรเพื่อทำซึ่งมีอยู่ภายใ น, ใ น, ในใจิตใจและแก้ที่เล่ซึ่งฝังจนพายในในใจิตใจอันเดียวกันนี้เช่นเดียวกันนี้เราจึงหมุนจิตข้งลงลงไปที่นี่ยับรลอยตรงนี้ อย่าไปคาดไปหมายเรื่องการนั่นสมัยนี้สมัยโน้นอย่างนั้นสมัยนี้อย่างนี้สมัยไหนก็คือสมัยของพิเลศและทำอยู่ในหัวใจคนแหละ mm hmm. แย่พิเรศก็จะต้องแย่ด้วยความเปลียนเหมือนกันไม่ว่าสมัยโน้นสมัยนี้ mm hmm. แล้วมีความเปลี่ยนแก้ไม่ได้กิเลศไม่หลุดนอยไปน้อพยายามอย่าลดละท้อพอยครูาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพ นับถือที่เป็นตีฤทธิ์ที่เหนี่ยวก่อนไปร่วงโรยไปร่วงโรยไปอย่างที่เห็นนั่นแหละครูบาอาจารย์ร่วงโรยไปแต่และองค์ละองค์มันเป็นของดีต่อหรือประเทือนทั่วแดนไทยระหว่าขารประโยชน์เยมากม า, ายเท่าไรทำให้จิตใจของคนเสียเป็นมากขนาดไหนเราคิดในขณะที่ควรจะเป็นผลเป็นประโยชน์ที่ครูบาอาจารย์ยังมีวิตอยู่ เราไปเบ่ขงขวัขวายตักตัวอย่าไปเห็นว่าสิ่งใดจะเลิ่อระปเกิดยิ่งกว่าทำไม่มีแล้วในโลกนี้อะไรก็ต่างไม่มีอะไรเลิ่ยิ่งกว่าทำทำมอได้รู้เป็นระยะระยะไปสิ่งที่เป็นคู่แข่งกันยึ่งเคยยึดเคยถือมาแต่ก่อนนั่นก็ปล่อยกันไปปล่อยกันไปทำขั้นนี้ปล่อยคู่แข่งขั้นนั้นคู่แข่งหมายถึงความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด กับก so ิเลสประเภทใดมันเหมาะสมกับธรรมประเภทใดเมื่อรู้ธรรมขั้นนี้กิเลสประเภทนั้นมันก็ค่อยหมดไปหมดไปปล่อยพอรู้ยึดนี่ได้ก็ปล่อยนั้นยึดนี่ได้ก็ปล่อยนั้นยึดบันไดขั้นหนึ่งก็ขั้นสองก็ปล่อยบันไดขั้นหนึ่งยึดบันไดขั้นสาก็ปล่อยบันไดขั้นสองปล่อยไปเรื่อยๆเมื่อยึดธรรมได้มากน้อยการถอดถอนกิเลสหรือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น สำคัญปิดมันก็ปล่อยไปปล่อยไ ป, ป่อไปเพราะอะไรจริงต้องปล่อยไปก็เพราะอำนาจทำนี่มีรสชาติเนื้อกว่าสิ่งที่เป็นคู่แข่งหรือเป็นข่าสุกเรื่งเคยยึดถือมาที่เรียกว่าอุปทานอุปทานโดยลาดับลำดับจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายแล้วปล่อยหมดไม่มีอะไรเหลือเลยสะเพยธรรมานต์ตาอยู่สลับปุ๊บไม่มีอะไรเหลือ ททั้งวงเปไน็นนาตาไม่ควรยึดมั่นโดยประการทั้งปวงนะถึงขงนาด่อยหมดไม่มีอะไรเหลือเรียก ว, ว่าทำเลิศแล้วไม่ยึดอะไรทั้งสิ้นแม้แต่ความรู้สึกก็จะประยึดให้เพื่ออะไรพอตัวอยู่แล้วทุกอย่างนะเนี่ยทำมีอำนาจอย่างนี้นั่นเราจะเห็นว่าสิ่งใดที่เกี่ความประเสริฐเลิศโลก จะส่องแสงให้เป็นความสุขความสบายแากยร่ร่างกายและจิตใจข้งเราหลังการแล้วพอเป็นพอไปแล้วบินธบาตมาวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นยังไงแล้วก็ดูหัวลูกเต็มบาทมาอาหารก็พอพูนจนจะตายเพราะมันเหลือเปืองันไม่ใช่จะตายเพราะความอดอยากขาดแคลนผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติก็ไม่ทราบว่ า, าวท่านพับดำเนินมาแต่ก่อนท่านปฏิบัติอย่างไรไม่ได้เป็นอย่างเหมือนอย่างวัดป่ามัานตาตำนา มีข้มัยท่านอาจารย์มั่นด้วยแล้วโอ้หน่าสดุดสําเวช ท, ท่านเล่าให้ฟังนั้นๆจะมีทีหนึ่งพอพูดไปทั้าผาดท่านก็เล่าขึ้นมั่งอะไรไม่ว่าท่านไม่เป็นกังวลกับสิ่งใดท่านเล่ามาก็เพื่อเป็นคติของพวกเรานะี่ยแหะไม่ใช่อะไรความเรื่องไปทั้าผาดท่านก็เล่ามาทุกเรื่องความโหยอยากขาดเคลนกรรมฐานทำไ ม, ไมนั้นเหมือนเหมือนก็บของเกิดขึ้นใหม่สำหรับเหมือนไม่เคยมีในสัตว์ในวงสัจธรนี่เลย ประชาชนเท่าไหายก็ไม่ทราบเห็นแต่ผอยู่ตามวัดมาวาดในบ้านในเมืองไม่เห็นผ้าในป่าแบกบกฎสภ า, ายบาตรเมื่ออย่งเอาไปก็ปตื่นตกใจท่านประาการที่เขียนในประวัตินั้นเะอืมเขียนตามความจริงยังวิ่ง น, นี้ันดะ์เราขนวุ่นกันไปหมดอภัอยยูที่ไหนก่อเพราะเข้าใจว่าท่านพระกรรมฐ า, านในชั้นแต่ทั่วแต่ ง, งาหวาน ไม่ได้ว่าฉันไม่ได้นึกว่าฉันเหมือนอย่างโลกทั่วๆไปเล ย, ยนี้่จะเข้ า, าป่ากินมันอย่างนั้นพอเราหาอย่างนั้นท่านวะนั่นพูดกับถุงท่านเป็นเดือนปานก็มีท่านะ่ะแต่ว่าอะไรทีนี้อย่างนั้นแหละก่าวมาแล้วพอเข้าเขใจแล้วเขากำมีอะไรเขาก็ถวายมาก็พอได้กินความทุกข์ความลําบากนั่งคิดเห็นได้ในประวัติของท่านนั่นแหละท่าน ผู้เดินหน้าพวกเราในสมัยปัจจุบันเนี่ยท่านลําบากขนาดไหนร้านกอบความภักเดือนก็เอาตายเพราะบาทีเดียวไป อ, อยู่ในที่บางแห่งมันเขาตัดไม้ให้ถัดเวลาเอามาเป็นกระบะาก็จะถือไม้นั่นมาไมาน้นันทําให้แตกแต่คงตายซะบ้างเปลือกเคาะแป๊ะแป๊ะเจ๊ะเจเขาวิตกวิจัยนะท่านกลัวจะมาเจอหนีมั่งเจอเสือมั่งท่านอยู่ไกลกว่าจะมาบินกระบะแถวนั่น ศาสเตอร์ชุมเป็นอย่างทางอำเภอผือไปทางโน้นเลยเข้าไปข้างในนู่นอยู่บ้านนาห ม, ม, มีนาอยู่อะไรเคยเลาอาให้ฟังสชุมมากอยู่บนถ้ามันนั่งเข้าไปหามันมาตามราวถ้ำมานี้ยมาตามทางคนมาตามทางออกมานี่แต่ถ้าเป็นหน้าขาเนี่มันก็ไม่เห็นขึ้นไม่ได้มันมาแล้นเข้ามันขิงชาเห็นมันรอยมันอยู่กับเตียงเลยอยู่กับ แค่อะแล้วใช้เตียงมันเป็นแค่เลยนอนเข้ามาถึงนี่เลยโอ้โหเขือนมานมันมัดมท่านนู่น่ะมองมุ่มงงนู่น่ะดูสิตอนนั้นไม่ทราว่าเราจะนอนอยู่หรือว่าเรานั่งพอนายอยู่บ่ไม่รู้ทันหล่งนั้นนะเอะมันก็มาหุนเดียวทรงนั้นอะใหม่มาอีกบางทีเด็กมันไปอะไรอมันไปหาอะไรก็มีเด็กผู้ชายสามสี่คนรีบบอกให้กลับบ้านไป มาเถวปี้ป้านไปไร่กับกลัวเสือเขาก็ดูบ้านเสือนะเขาไม่ไม่กลัวืนลบทอาหารการบวกเมกันยังเส้นัน่งอยู่ทงปัขลุนน้ามันแล้วน้องผือก็เหมือนกันอาหารขาดแนๆนไปเพราะผ้าเนนมีมากนี่ อาหารที่ไหนก็ส่งเข้าไปไม่ได้แต่ ว, ว่าไหก็มีแต่ชาวบ้านเนาะของเลื่อ ง, งดูอาหารเราเราจะเทียบกับวัดป่ามัณฑนนี่นะโอ้ยฟ้ากับดินะ่ะมันห่างไกลกันขนาดไหนแต่พระกรรมาฐานท่าไไนไม่ได้สนใจนี่นะเรื่องอาหารการกินมีมากมีน้อยท่านไม่สนใจท่านสนใจจะทำแม้เช่นนั้นท่านห น, นึ่งท่านหนึ่ง ครานี้นิดหน่อยอยู่ด้วยซ้ําไปจะว่าข้าวอำมาอิมตรงนี้ไหนจะไปตะกะตะกามกับเรื่องอาหารการกินได้อย่างเนี่อที่ท่านไม่กังวนท่านอยู่ได้นแถวนี้ยเขาก็รู้เรื่องแล้วเขาก็มีความเคารพมากแต่พระน้นมากอาหารจะต้องมีผักผักเปื่อยๆบงเป็นธรรมดาแต่ไม่ปรากฏว่าองค์ไหนเลยมีเป็นสัญญาลงกับเรื่องอาหารการกินพวกน้ำว่าน้ำตาลกโกโก้กบแนไม่มีหอะ เราเ่ามากินมันจึงเป็นความเคยชินทันทีทันเสร็จแล้วหายเงียบหายเงียบเลยนันเหลือเกินที่สินทุกอย่างการเนินปฏิบัติฐานจรงลำบากแต่อยู่อย่างเงียบเวลาเทศน์นี้กันได้ยินเสียงท่านแล้วโอกาสดีกันประทุกวัดมันโล่เหมือนกัน ฟ้าต่านการต้านฟ้าต้าจะฟ้าในในป่ามันก็ไม่โล่งมันโล่งหมดแต่เพราะเป็นวัดเดิมไม่ยู่วัดเก่าเ้าไม่ใช่ไม่ใช่เต็นต์เป็นลพังพระนึงถึงเหมือนกับว่าต้องเป็นร้อยต่อกระปุกแต่มันก็ไม่ถึงนั้นสามสี่สิบโยกี้อะยีะ การสนใจตัวเองนี่เป็นสำคัญอย่าไปนสนใจกับอะไรในโลกอนี้เอาให้เห็นทำไม่อยู่กับใจจิตมันดื้อขนาดไหนเอาฟาดลงไปมันหนักมือเท่าไรแล้วยิ่งดีวิเลศมันหมอบด้วยความหนักมือ น, นั่นทำหมอบด้วยความอ่อนแอีิเวศเหยียบย่ำทำลายหัวงใจหาความถูกไม่ได้ ทุกขษาญมพลังทุกขังใครต้องการความสุขก่อนห่างแล้วกว่อนั่นแหะเขาจะรับความทุกข์ในการต่อไปทุกขษาญมพลังทุกทขังทุกขษาญมพลังทุกขังใครไม่ต้องการสุขก่อนหา่างเอาฟาดลงไปตายก็ตายผู้นั้นจะได้เสวยสมบัติอันพึงใจอย่นี้จะกลับสติปัฏฐานสิ่ง นี่แหละเป็นที่รับรองเป็นที่ยืนยันเป็นที่อยู่ของมาผลนิภานในสถานที่แห่งเดียวกันกับพิเหรธที่อยู่เวลานี้คือหัวใจเอาลงไปตรงนั้นดูให้ดีพิถีของจิตชิดด้วยปัญญาอย่นอนใจอยู่เฉยนี่เราวิโตวจารก็หมู่ก็เพื่อนเรื่องยำหยาเรื่ก็ผิดก็พากันอยู่เสมอไม่ได้ใช้ความคิดอุบายต่างๆอะไรเลยเนี่ยที่เราวิโตวิจารมากเป็นกังวลเป็นห่วงเป็นใจหมูกเพื่อน ไม่ใช่ความคิดความอ่านอะไรเลยภ า, ายนอกมองเห็นขวางตาอยู่นั่นเขามไม่ใช่ความคิดผู้ที่จะแก้ที่เดชต้องใช้ปัญญาเอาจริงเอาจังกับทั้งกสองด้านทั้งสองด้านเวลาทําสมาธิก็เอาจริงเอาจริงหามันสงบ ด, ด้วยคําบริกรรมไม่ได้มันพุ่งไปที่ไหนตามพ้นโดยปัญญาวันนี้ก็ ขึ้นเวทีกันเอาเป็นถึงไหนถึงกันเป็นก็เป็นตายก็าตายจิตเจ้าเข้าไปสติปัญญาฟาดฟันลงไปอ้มันสงบตรงนี้เห็นต่อหน้าต่อ ต, อตาขาดถึงเลยจากอารมณ์หายลงสู่ความสงบแน่วแล้วจึงกล้าเขียนมาปัญญาลมสมาธิล้วทำได้ผลมาเลยเหมือนเป็นสมาธิแล้วทีนี้มันกับเป็นไปเรื่อย นี่ยากมีฐานสมาธิย า, าก็เป็นสมาธิอรบรมปัญญาไปเลยถึงเวลาจะทําความสงบก็ทาําเพี้ยแต่ปกติฐานขั้นกิจมันมีความสงบอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องไปหาความสงบมาจากไหนกาหนดรุ้งเมื่อไหร่มันก็สว่างสวายอยู่ในขันธ์เจ้าของสงบแน่วอยู่แล้วเวลาใช้ปัญญาก็เอาที่นีไม่ต้องห่วงฝุดค้นลงไป ถเรื่องอนนี้จทุกขังหน้าตาขรั้งนอกก็ะตามครั้งในประตามหรือมันรากมันชอบรูปอะไรอารูปนั้นน่ะมาครั <c oughs> มันมาตายอยู่ต่อหน้าต่อตามันนอกมันพองให้เห็นร่้งกายหมากินแตกก็จะด ก, กระตายลายมีแต่น้ำหนองน้ำหนองโผล่อยู่อลี้ออกมาต่อหน้าต่อตาําหนดพิจารณาฮนะึยี่เรียกมันเสกสรรว่าสวยว่างาน เรายังเชื่อมันฟังแค่มันมีของเสวยขอ ง, งามที่ไหนในตัวของตัดของบุคคลมันมีแต่ของประกูลเต็มตัวที่เด่นมันเศษว่าสักว่าสวยวงามเรายังเชื่อมันที่เราฟาดความจริงลงไปทําลายที่เด่นดิมันสวยวางามที่ไหนเอากําหนดมาดูอา้าวยกตัวอย่างไม่กล้าอะมันมาตาให้ดูหน้าต่อหน้าอย่างนี้มันสวยยังไงตายแล้วมันทองขึ้นเป็นยังไงมันแตกเป็นยังไง เปื่อยน่าไปถึง เ, เหลือแต่โครงกระดูกเป็นยังไงกําหนดแรงกายหมากินยุ่งไปหมดแต่มไปหมดนันเกิดความโปิปดัางเมตตนั้นนั่นน้อมเข้ามาถึงตัวอของเราพิจารณาเรื่องของเรามันก็เรื่องอย่างนั้นเหมือนกันมันยึดมันถือเอาอะไรเกิดประโยชน์อะไรมีแต่โทษเหมือนกับว่าค้าเอาเสื้ยนเอาน้าําเอาหอเอาหลามมาขึ้นแทงใจิตใจคนผายเหยียว ความยืดมั่นถือมั่นนั่นแหละเหมือนกระหอกกระเบาหนุ่มพิจารณาเห็นชัดแจ้งลงไปนล่งจิตใจมันก็ถอยแล้ะสงบไม่วุ่นวายกับสิ่งเหล่า น, นี้แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาพิจนารณาเข้าไปเรืๆๆๆๆอ่อยๆจิตก็สงบพอเป็นต้นทุนแล้วพอมีความสุขผู้ปฏิบัติทั้งหลายหากคิดไม่สงบเลยอยากเข้าใจว่ามีความสุขนี่แต่ขาดนุ่นขาดนี่มันหลอกไปนุ่นไปนี่นี่จิตสมาที่นี่จะดีไปมันล้อไปทั้งนั้นแหละ ผมเคยเป็นหมดแล้วถ้าจิตไม่มีรกากฐานไม่มีความสงบเป็นต้นทุนอยพ่ภาจิตใจแล้วมันจะหลอกมันหลอกนี้พอจิตมีความสงบแล้วที่นี่ก็เอาละความเพียรก็เล็งเล็ ง, ลงความสงบงเป็นของสําคัญวินาทางด้านปัญญามันหมุนเตี้วเตี้วไปเราได้ยินแต่ท่านพูดว่าสมาธิสมาธิ อะไรจะเป็นสมาธิถ้ามาจิตไม่ใช่จิตตัวฟุ้งซ่านอยู่เวลานี้สงบตัวเข้าเป็นสมาธิเพราะว่าปัญญาจะไม่ใช่ตัวจิตตัวหลงๆตัวโมโง่ตัวนี้จะให้เป็นปัญญาจะเอาตัวไหนมาเป็นฟิตเข้าไปฝึกสร้างไปหัดคิดอ่านใจตองแยกหลายสารหลาย ข, วนนวาายขมวันหนึ่งเกิดอุบายหนึ่งขึ้นมาวันหนึ่งเกิดอุบายหนึ่งขึ้นมาขณะหนึ่งเกิดอุบายหนึ่งขึ้นมาเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ จนกมทางมันติดต่อสืบเนื่องกันไปโดยลาดับลำดาลแล้วกลายเป็นสติปัญญาอตน ม, ตมาตขึ้นมาเ อ, อ้อที่นี่เอาละทางนี้เบิกกว้างข้างหน้าข้างหลังติดกันเข้ามาติดกันเข้ามาพิจงาาอะไรถึงใจถึงใจรู้อะไรรู้ถึงใจทุกอย่างเมื่อรู้ถึงใจแล้วทำก็ถึงใจเมือนใจเป็นธรรมแล้วยิ่งกับมีแต่ความเพลิน นั่งเพลอโดยความภาคเพียรอย่างนั้นหเห็นเวลาล้มลุกคลานเวลาที่เด็กมันทิ่มมันแทงจนี้โอหัวไม่ขึ้นก็เห็นมาประจักษ์ใจตาที่เด็กด้วยความทุกข์ความลำบากเป็นที่เด็กมันหมอบลงไปก็เห็นประจักษ์ใจพอจิตสงบลงไปก็มีความสุขสบาย จิตไม่พุ่งสานอุบา ย, ยาาตามปกติจิตมันจะต้องคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้มีแต่เรื่องโลกเรื่องของาเรื่องกิเลสตถาสมะทั้งนั้นทนั้งๆเดินอย่างตรงอย่างนันก็นไปยุ่ต์อยู่นนมันเดินตั้งแต่เท้าจิตใจไม่เดินตามทํานองของธรรมมันเดินไปตามกระแสของโลกน่อยบังคับกันหลายด้านหลายทางและแต่อุบายวิธีที่เปนบังคับมันมีความสงบยงได้ พอจิตใจสงบลงได้เอออยู่เบาใจเย็นใจเลยอยู่ไหนก็คอยเย็นใจครูกับครูบาอาจารย์ที่เคยครวเคยอะไรท่านมันกระพริบไปหมดพอจิตใจได้หลับได้ใจไ้มาเนี่ยมีความเชื่อความหลสัยความจงรักภักดีต่อครูบาอาจารย์ความรักความห ล, ใมลงใยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันมีภาชนะนับเลยนะพี่ภาชนะฐานแห่งจิตที่มีความสงบเป็นเครื่องรับธรรมทุกท่าน แต่แสดงไปที่ไหนมันซึ้งซึ้งซึ้งที่กล่อมลงไปเรื่อยเรืย่ยเรือยเทดขนาดไหนนานเท่าไหร่ไม่สนใจกับเรื่องความว่านานไม่นานดูแต่ความรู้กับธรรมที่เข้ามาสัมผัสแยกแยกแยกแหงมันหมุนติ่วที่ไปถึงขั้นปัญญาหมุนกปต่งางขั้นสมาธิก็กล่อมกันลงไปสนไปันหน่อแค่ทีนี้เรื่องความกลัวครูวาอาจารย์อยากหาเหตุหาผลไม่ได้นั้นมันหมดไปกลัวแต่เหตุแต่ผลอัดรำเท่านั้น กัันกลัวท่านกลัวไปอย่างนั้นยิ้มเย้มแจ่ ม, มจใสอยก่ภยายในธินั่นอยู่นะ้ก็เป็นความเปลี่ยนมันขั้นถึงขั้นอัตโนมัติส ต, ต, ต, ติปัญญาอัาารรตโนมัตินี่ท่านพูดไว้ว่ามหาสติมหาปัญญาเขียนไม่ในตำราไม่แต่ชื่อของมหาสติมหาปัญญาตัวมหาสติมหาปัญญากินอยู่ที่ไหนเนี่ย ก็อยู่ที่ใจถ้าเราไม่ผิดขึ้นมามันมีขึ้นมาไม่ได้สติแม่นิดนึงก็มีไม่ได้ปัญญานิดหนึ่งก็มีไม่ได้ถ้าผิดขึ้นมาสตินิดนึงก็มีได้ปัญญานิดนึงก็มีขึ้นมาแล้วเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาถ้สติปัญญาก็เลยสืบเนื่องนั้นไปต่อเกี่ยวโยงกันไปเรื่อยๆเลยจนกลายเป็นสติปัญญากัตโนมัตเท่าคำทำนี้ทำนั้นคล้องแสบแกะกล้าในการในกาที่เกิดมาทีเดียวก็เข้าหมอบลงไปหมอบลงไป ของขนาดต้องคุ้ยเขี่ยกันที่ส่วนยับยเกระยมันไม่มีเหลือถ้าเราไม่สังเกตไม่วิจารณากรว่าเป็นพระฐานไม่น้อยองค์นหนึ่งอะเมื่อมามหาตติมาปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วคือพรปฏิปัญญาอัตโนมัติไม่มีอะไรผ่านมันได้เลยมันฟาดฟันให้แหลกไปทั้งนั้นจนต้องไปคุ้ยเขี่ยถึงขั้นนั้นต้องคุ้ยเขี่เพราอไปเจอที่เรียก เพื่ใดก็ตามขึ้นมาแล้วนั่นหละชื่อว่าได้งานแล้วทีนี้เอาละหมุนติ้วติ้วหรืเป็นไม่ถอยฮะจนกระทั่งมันขาดสะบัน้นไปด้วยเหตุผลคือการพิจารณาเนี่มันต้องเข้ากันตามเหตุผลด้านที่เหลือถึงจะดลุดลอยไป่เรียกว่าเข้าใจแล้วก็คุยยค้ยเขียดเนี่ยคุ้ยเขียกก็เป็นงานไปเจองานแล้วทำงานการขอการถอนก็เป็นงานหยถึงว่า ง, งานของสติปัญ ญ, ญาขั้นนี้ไม่มีว่าง ว่าได้ไงานอยู่เฉยได้เงเพราะความมุ่งมั่นหวังความบุดพ้นไม่มีอะไรที่จะเท่าแล้วในชี่นี้จิตใจนี้ไม่มีความหมายใช่ไหมมีความหมายแค่ขอให้รู้ให้บุดพ้นโดยไถ่เดียวเท่านั้นความมุ่งมั่นมีกําลังกล้าการพิจารณาี่เดชขึ้นเป็นตัวภัยจนส่วนละเอียดขนาดไหนก็ต้องค้นหนาให้เจอไม่เจอไม่ได้เอาให้แหลกละเอียดจนกระทั่งไป ถึงขั้นเมื่อพเด็มันเข้าหมอกหมดไม่มีตัวไหนสแสดงออกเลยเพราะตัวอย่างมันฆ่าหมดแล้วทางเดินของมันก็ฆ่าตามหูจมูกยิ่งกายทางเดินของรูกเสียงกับนดที่ประสานกันมันก็ฆ่ามันทำลายมันรู้เท่าแล้วออืแล้วก็ย่นเข้าไปถึงขันห้าขัน ห, าขนห้ากองรูปนี้มันก็รู้เท่าแล้วแปลว่อะไรก็เหลือตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารยุ่งยากที่เป็นของละเอียดยิ้มแยบยิ้มียบยิ้มแยบยิ้มแยบอยู่ตรงจิตมันรู้ชัดๆัด พิจนรานหลายครั้งแล้ผลสิ่งเหลนี้ก็เลยรู้เท่าอีกแล้เนี่ยเหลืออะไรมาเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนั่นมันไปหลงตรงนั้นนั่นละเอียดเชค่ไหนทิ้งั้นหลงตรงนั้นสติปัญญาไ ป, ไปเก้อตรงนั้นไปหลงเพลงกี่เลยนัหละเราเคยพิจารณานเป็นอย่างนั้นโอ้หลงนา น, น, นเป็นองค์กรักี่วิชาปฎิญาสังฆาร์เนี่นยจนไม่รู้ตัว แต่มันก็ทนสติปัญญานี้ไปไม่ได้เพราะมันรวดเร็วต่อความรู้สึกต่อสิ่งต่ออาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายในจิมันมีอาการเปลี่ยนแปลงจะละเอียดแค่ไหนสติปัญญาขั้นนี้ต้องรู้ทันรู้ทันแล้วสุดท้ายมันก็พ้นไปไมได้เพราะจิตดวงนั้นมันก็เป็นสมมุติเห็นเนือละเอียดแค่ไหนมันก็เป็นสมมุติให้เห็นความคำว่าสมมติจะไม่มีนิจังทุกขลังต า, าประจําอยู่ได้หรือ มันต้องอนั่นและความเปลี่ยนแปลงของมันพอสแสดงให้เห็นพอจับพิวได้ที่ปัญญาจะต้องสอดส่องเข้ามาตรงนั้นอีกทีจนกรทั่งคลี่คลายเราหเห็นทัดเจิงนะครับทำายแตกกระจายหมดแล้วอาการที่ว่าอย่างนี้มันก็ไม่นีฮเลตที่งไงสิไม่มีถ้าเป็นมอญน้าก็ทะลุก้นหมดแล้วน้ําที่ไหนมาเทก็เทที่ในบึงในบ่อในทานก แม้มหาสมมุดกรรมเทที่มันจะขังได้ยังไงมันก็ไหลผ่านไปหมดอารมณ์ไม่ว่าประเภทใตายทั้งนั้นอ่ะผ่านเข้าไปนั้นมันหลาผ่านเข้าไปหรือจิตนั่นก็ผ่านไปเลยผ่านไปเลยเพราะไม่มีผู้ใดรับรองนีดถือว่าไว้อุปทานที่หายไปหมดเดียวสมมุติมันหมดไปเพรเป็นฉะนั้นแล้วขึ้นชื่อว่าสมมุติในแดนโลกธาตุมีสมมุติใดที่จะเข้าไปถึงจิตของนั้นได้มันไม่ ม, มีฮันเจเจวันหมด หมดเรื่องก็คือเรื่องของสมมุติที่มีภายในใจิตใจหรือภายนอกมันก็หมดไปแล้วเป็นลําดับปัญญาเข้ามาจนกระทั่งถึงภายในมันเป็นสมมุติสุดท้ายก็ได้จะอวิชชาปัญญาสังขารมันก็หมดมันหมดสมมุติอันนั้นแล้วสมมุติอันนี้มันก็หมดไปเหมือนกันคือหมดปัญหาสติปัญญาขั้นนี้ก็หมดปัญหาไปอุปนิปัญญาที่เคยหมุนติวติวเป็นธรรมจักร ไม่ได้นึกว่ามันจะหยุดจะหายไปได้พอเรื่องการต่อสู้หรืองานสิ้นเสร็จลงไปเครื่องมือมันก็มดปัญหาไปเองเพราะสถิตปัญญาก็เป็นสมมติเหมือนกันทาที่ว่าชมาธิปัญญาเนะมัชฌิมาปฏิปทานเครื่องมือทั้งนนทางเดิมกนได้เครื่องมืออือ สุดงานไม่มีที่ไปแล้วหมดสุดสายเดินสุดสายแล้วสติปัญญานี่ก็หมดปัญหาไป่ะว่าตอนมีสติก็ทัหมสมมุติทั้งมดเสกสันเกีอย่าเพราสติทัก็หมดเสกสัเกเนียเสกอะไรมีอะไรหมดอะไรสิ้นอะรู้กันอยู่แล้วไม่มีเรื่องบริสุทธิ์รู้กันอยู่แล้วเวลาจะทาย การใช้งานสติปัญญานี่มันก็เป็นมาเองเราจะใชาการใช้งานเกี่ยวกับเรื่องสมมตุติแต่เกี่ยวกับเรื่องพิเรนแล้วจะจะใช้ทำมันตรงไหนพิเดรนตัวไหนที่จะมาเกิดอีกมันก็หมดนี่นะท่าน อ, อักบู ป, ปะอันสุดยอดอกบู ป, ปะขั้นที่หนึ่งก็โซดาบานันถึงขั้นโรดาบันแล้วก็เป็นอกุ ป, ปะธรรมคือคือแม่กําเริบ การเาเป็นประชนอีกสกิทาอนาคาก็เป็นป อ, อนภาาูปะเป็นปปนันขั้นตามขั้นของตนไม่ลดออคือคื อ, คอไม่ไม่เสื่อมลงมาขั้นต่ำงอาหาตรตะกแล้วก็ผ่านไปเลยหมดปัญหากุปะธรรมโม่กุปตธรรมโมเรงเสถาบุคคลก็ตั้งแต่โสดาถอรหธรรมะนี่มันเป็นเสขาต้องศึกษาธรรมะ พากล้าพอถึงขั้นผลโดยสมบูรณ์แล้วอาศัยขาหมดปัญหาเหมือนย่งว่าสติปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวนเครื่องแก้กิเลสพ อ, อกิเลสสิ้นไปสติปัญญ า, าก็หมดปัญหาไปในขณะเดยียวกันเพราะนี่ก็เป็นสมมุติกิเลสก็เป็นสมมุติสติปัญญาเครื่องมือตาบตามกิเลสก็เป็นสมมุติเพราะนั่นผ่านไปอนี้ก็ผ่านไปด้วยกันเพราะเป็นสมมุติเรื่องการสิ่งที่ไม่ผ่านคื อ, อคือผู้ที่รู้ว่าตนบริสุทธิ์แล้วนั่นแหละ มีาการปฏิบัติผลการปฏิบัติไม่มีจากนอกเหนือจากนี้ไปได้ในส่วนการทำที่จัดไว้นั้น ล, ลงจุด น, นี้หมดเพื่อให้เข้าสู่จุด น, นี้ทั้งนั้นการม่ชอบแล้วทุกอย่างไม่มีบกพร่องไม่ว่าการใดสมัยใดเป็นมัจจิมาปฏิวทาคือทําเครื่องปราบที่เดชทาราได้เหมือนกันคึงไม่สงสัยว่าศาสนาครั้นงนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างไรเมื่อกิเลสไม่มีการแตกต่างกันแล้วธรรมะจะเปลี่ยนแปลงไปที่ไหนเปลี่ยนเรื่องเป็นราไปไหน ก็ทางตอนธรรมะอันเดิมคุณมัชชิมาที่ทันต่อเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลานั่นแหละท่านเดี่ยวมัชชิมาเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาหรือเหมาะสมอยู่เสมอเหมาะสมกับการกราบยึดทุกประเภททางการตั้งตั้งใจความมุ่งมั่นสนองความมงมั่นของตนด้วยความเพียร ลดลงต่อต่อไปนี้ท่านป็นยาอธิบายเพื่อนพูดมา